ลับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังเ p 3สแผ่นที่เจหโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมแผ่นที่75หให้คติธรรมหัวข้อว่าอัดโธอัตทักษะ นักขัดตแปลว่าเวลาที่เป็นประโยชน์นั่นแหละคือเลิกดีคือพวกเราพุทธศาสนิกนชนที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปยึดเลือตามยามดีให้เลื ก, กรรมคือการกระทำถ้าพวกเราทำกรรม ดีคิดดีทำดีพูดดีเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเป็นเรื่องดียามดีเวลาดีเดือนดีปีดีถ้ากว่าพวกเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอันนั้นแปลว่าเป็นเรื่องที่ชั่วทำเพรา ะ, ะนั้นให้พวกเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธญาต้องให้ยึดก ร, รม ผลของกรรมเป็นสําคัญทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วจะได้ดีที่ไหนทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรอันนี้คือกฎการกระทําแต่ทุกวันนี้เขาก็พูดว่าทําดีได้ดีเออก็มีน้อยทําชั่วได้ดีมีถมไปลักษณะอย่างไงแต่ตามไม่จริงทําชั่ว อีกสักวันหนึ่งเขาเจงได้ถึงจะได้ดีก็เถอในเมื่อเขารู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาแล้วเขาถลกหลังขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นะความชั่วเปิดเผยขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงตัวเองจะว่าได้ดีก็เถอเพือเพื่อจะเข้าคุกเข้าตารางเป็นที่ติดินเดินทาคนทั่วนหน้า เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือสิ่งที่มันชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วความชั่วกมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนพีสามแผ่นที่เจ็ดสิบห้าแผ่นนี้ขอให้กติธรรมเพียงเท่านี้ไว้ก่อนด้วยอำนาจขุนพษีรักนาาัาไตรพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งสักศิษย์ทั่วสากลโลกขอให้มาคุ้มครองด้วยบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบมาแล้วขอให้มาคุ้มครองลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกๆคนด้วยเถอด